อัลลอฮฺุสซาลฺมิลัยรอหฺมานีรออมี والصلاة والسلام على الأشرفين أجمعين ال وعليه وصحبه أ ج م ي ن السلام عليكم ورحمة الله ر ك คัุามุสุลาตคุขามุรอห์ม์จากอัลลอฮฺซุบฮานะหฺวะตาลาปัสุบเดียพงมุสลิมนพนงมุสลิมะชาวรมนชาวติกาฟตีรัตนคับ อันทำนินแล้วนะครับเชื่อกดขอบคุณต่อลรสดุบหานาวัตลานะครับที่ทําให้นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับวมถึงเราด้วยนะครับมีโอกาสได้ใช้ชีวิตถึงช่วงสุดท้ายของระมอดอนทีจะรับสักการ1444ปีนี้นะครับอันทำนินแล้วครับพี่น้องที่รักเรนมิเกตครับนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนตั้งถึงก่อนวันอีดหนึ่งวันนะครับจะมีรายการต็มซีซั่นอังคารนะครับพิเศษนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางรายการของเราจะนําเสนอ ตัดเียอังกุรานโซลล์ลุกขมานนะครับซึ่งเป็นโซะที่มีความสําคัญมากๆนะครับที่ถูกบันทึกไว้ในอังกุรานนะครับซึ่งอินชอนล์นะครับผู้ที่จะทําการตัดซียอังกุรานนะครับร่วมกับผมก็คือบบอนะครับอาจารย์อับดุลละอาเกมนะครับจะเป็นวิทยากรหลักในรายการของเรานะครับแล้วก็เราจะจัดรายการตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาในครับพรุ่งเช้าถึง6กโมงสีสิบแนาที ของทุกวันในช่วงเวลาอิต like, ิการตรงนี um ้นะครับก็ขอเชิญพี่น <memories> ้องนะครับที่สนใจนะครับในการเรียนรู้อักฤนะครับในการศึกษาตัวซีดอังกฤนะครับมาร่วมเรียนรู้กับเรานะครับอินชาอัลล์นะครับช่วงต้นนี้นะครับเราจะทักทายนะครับกับวิชากรของเราก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาวันนี้นะครับสารมาในคุมรมตุลาบุับบบอลมห์ลลอฮบรกาตุครับก็ขอ ทักทายพี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยสาลามด้วยดัอาและสาลามลอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลละขอชุกโกตออัลลอฮฺสุบานุวาต่อาลาที่อัลลอฮฺไว้ชีวิตของพวกเราของพี่น้องผู้ศรัทธาท่านพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่มีเกียรติทุกท่านกลับมาอีกแล้วเราอมาดอนอันมูบารักโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เมื่อคืนวันนี้และก็นในช่วงนี้ก็ถือว่า เป็นช่วงสิบคืนสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงของแรงตุลกอดช่วงพิเศษที่สุดในรอบปีอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลละ mm hmm. รายการของเราก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งชาวโลกคงเราคงจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจาก mm hmm. อันกุศอ่านและตับเซตหรือว่าจากอันกุศอ่านและตับเซตของของมันนะก็อัลฮัมดุลิลละครับก็คงจะทักทายในเบื้องต้นไว้สําหรับช่วงนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับ ครับก่อนทำหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องที่รักเรมิเกตครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อส่งสัญญาณไปยังพี่น้องท่านอื่นนะครับได้มาเรียนรู้ศาสนาในยามเช้ากับเรานะครับซึ่งอินชอนล้อนะครับเราจะอยู่ในรายการตรงนี้นะครับประมาณแปดถึงเกวันด้วยการเต็มเตนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจนะครับโซลล์ลูกมานะครับซึ่งเป็นโซรล์ที่นะครับสามารถสอนชีวิตเราได้หลายแง่หลายมุมเลยทีเดียวนะครับอินชอนล้อนะครับถ้าอยู่เราตั้งแต่วันต้นถึงจบนะครับพี่น้องก็จะ ได้รู้ความหมายนะครับตะเชียองกุรานนะครับทั้งหมดของสุรล MM ุกมานรีเดียวนะครับอินชาอนะครับพ uh ี่น้องครับเราเข้าสู่นะครับเนื้อหาของสุรลุกมานกันเลยนะครับอินชาอผมขออนุญาตนะครับเท้าความนะครับสุรลุกมานสั้นๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ความหมายอายะที่1นะครับสุรลุกมานนะครับเป็นสุรมักกีนะครับหมายถึงว่าถูกประทานก่อนการอภยยบของท่านอับดุมฮัมหมัดสุรลอห์อวยอะลัยซัลลัมหมายความว่าท่านอบดุมฮัมหมัดนั้นยังอยู่ที่นครเมกมักก้อยู่นะคร ถูกประทานมาทั้งหมด34อายะห์ด้วยกันนะครับโดยสุระอนนี้นะครับเป็นสุระอนมักกิยาที่มีเป้าหมายนะครับในการเยียวยานะครับเกี่ยวกับหลักการศรัทธาโดยเน้นถึงหลักการสําคัญ3ประการคือหลักการศรัทธานั่นคือการให้ความเอกภาพต่อฮิตต์ต่อละซุบฮานอว์ตาล่านะครับการเป็นนบีนะครับการเป็นนุบุวะของท่านนาบีการฟื้นคืนชีพอัลเบียสนะครับ และก็การตอบแทนนะครับเช่นเดียวกับสภาพของสุรมุม ก, กียะอื่นๆทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นลักษณะนะครับคล้ายคลึงกับสุรมุม ก, กิยะทั่วไปที่พูดถึงเรื่องของหลักอีมานนะครับแล้วก็หลักการเป็นนบีและการฟื้นคืนชีพนะครับแล้วก็เรื่องของการตอบแทนในลูกหน้านะครับนึ่งซึ่งเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นธรรมชาตินะครับของโซรามะเกียที่เราจะปูพื้นหลักอกิดะหลักความเชื่อนะครับรูกลอีมานต่างๆนะครับให้กับชาวมักกะในยุคนั้นนะครับซึ่งโซลนี้นะครับก็ยังกล่าวอีกหลายช่วงหลายตอนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะศึกษากันไปนะครับแล้วก็ช่วงกลางๆนะครับต้นๆ้น เกือบถึงกลางๆก็จะมีช่วงไฮไลท์นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของลุกมารที่สอนลูกนะครับเดี๋ยวจะเรียนรู้กันอย่างแน่นอนนะครับอินชอลเลาะส่วนตอนนี้นะครับเราเริ่มกับอายะได้กันก่อนนะครับโดยวิธีการนั่คือว่าบาบบของเรานะครับจะอ่านนะครับเป็นอายะนะครับแล้วก็ผมจะแปลความหมายเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วบาบก็จะอธิบายนะครับโดยใช้อิงหนังสือตับซิรอิบูกะซิรนะอิบูกะซิดเป็นหลักนะครับในการอธิบายในครั้งนี้นะครับอินชอนเลาะนะครับขอเชิญบบบครับ อ้างวุบิลลาฮิมินั้ชัยตานุราชิบบิสบิลลาฮิลลุห์มานราฮ ل ف ลามีมด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงการณาเมตตาผู้ทรงปราณีเสมออัลฟลามี อักษรเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวอาหรับแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะเรียบเรียงให้เป็นคำพีเช่นคำพีเหล่านี้ได้หลังจากที่ได้มีการทักทายกันท้าทายกันจึงนับได้ว่าเป็นหลักฐานอันชัดเจนว่าคำพีนี้ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงปริชาญาณผู้ทรงรับรู้ ติลกะอายาตุลกิตาบิลฮักีมเหล่านี้คือบรรดาอายะห์แห่งคำพีที่ชัดเจนฮุดาวะรับมะตัลลิลมุฮซินีเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเป็นการเมตตาแก่ผู้กระทำความดี ال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ต่อเลยครับวะฮ ُو بالآخرة يوم يُقِنون คือบรรดาผู้ทรงคือบรรดาผู้ดำรงการละหมาดและบริจาค zakat และพวกเขาเชื่อมั่นต่อวันปอรรโลกุล่าอะกาลฮุด ม, มิรรับบิฮิมว่าุลาอกะหุมุลมุฟลิฮูนชนเหล่านั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องจากพระเจ้าของพวกเขา และชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จว่ามินันนัสไม่ยَชเตรีละฮ์วะลฮะดีซีลิอูดิลละสบ ل ลิละ ลี่ยว ضل على سبيل الله بغير العلم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين และในหมู่มนุษ มีผู้ซื้อเอาเรื่องไร้สาระเพื่อทำให้เขาหลงไปจากทางของอัลลอ์โดยปรสศจากความรู้และถือเอามันเป็นเรื่องขบขันชนเหล่านี้พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันอับปยวตตาายอายาตตุลลยน บรออเลยมาฮา fi คในหว่าฟบชช i บบินอลและเมื่ออายะทั้งหลายของเราถูกอ่านให้แก่พวกเขา เขาก็ผินหลังให้อย่างจองหองปรนิงว่าเขาไม่ได้ยินอายะนั้นๆประหนิงว่าในหูของเขานั้นหนวกดังนั้นจงแจ้งข่าวแก่เขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดครับก็อันทำนินละนะครับวันนี้นะครับรบอกก็ได้อ่านทั้งหมด7อายะนะครับผมได้แปลความหมายเป็นภาษาไทยนะครับ ตอนนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายนะครับรายละเอียดนะครับของซูรซึ่งน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาในรายการนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับแล้วก็ชอคงได้ได้ดิ่มดํานะครับกับความหมายอันลึกซึ้งของอายันกรานะครับขอเชิญมาบอกครับบิสมิลลัฮิรราะห์มานิรราะฮมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับิลอาลามีนวะบินัสตอีนวะลาฮลวะลาวะตอิลลาบิลลา์ครับพี่น้อง ผู้ศรัทธาต่อ Allah สุภาณุวตาลพี่น้องชาวระมอดอนอครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับารายการตับเศษยามเช้าของช่วงสิบวันสุดท้ายเดือนระมดอนอันมูบารกครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ผมพร้อมกับอาจารูนเหมือนที่ทราบกันก็คือว่า จะได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องในสุรลุกมานปีนี้ชาวลอสสุภาณุวตาลาเราจะพบกับสุรลุกมานครับสุรลุกมานก็เป็นสุรามกีะก็เหมือนที่ทราบกันดีก็เป็นสุรามกีะก่อนเก้าสิบเปอร์เซจะเน้นหนักจะเน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอักดีดาเกี่ยวกับเรื่องของอีมานต่อลอสสุภาณุวตาลาเน้นในเรื่องของอัคคีระเน้นในเรื่องของนรกสวรรค์ เน้นตารเบียร์รอมบานีอาตารเบียร์เกี่ยวกับเรื่องอาการที่จะทําในหัวใจของเรากลับไปสู่พระเจ้าด้วยการอิมาตออลอสุบฮานุวาตาลัครับนั่นคือสุรอมักเกียครับก็สุร้อนนี้ชื่อว่าสุรส้อนลุกมา น, นลุกมานก็คือชื่อคนคนหนึ่งระยุโดซซอละะแลห์เลเซบินาบีท่าน เป็นคนดีเป็นคนซอเลนะ่แต่ว่าท่านไม่ได้เป็นบนบะีท่านอาจจะเป็นออาจจะบางท่านเล่าวันเป็นนักปราชญ์ท่านหนึ่งนะมีบางรายงานบอกว่าเป็นคนดีจากชาวแอฟริกาปรนะโยชน์โดนโซลิฮอนอิฟดีกียนเป็นชาวแอฟริกานะก็ดูตามหลักฐานต่างๆในตำราก็ไม่ได้ระ บ, บุว่าท่านเป็นนบีนะครับครับแต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญมากที่ นะอัลลอสุบานวตานะตาลากล่าวชื่อเขากนะล่าวชื่อท่านเนี่ยนะในอันกุรอานเลยทีเดียวครับครับพี่น้องครับสำหรับเจอายาเรก ข, ของสุลรรุูมานวันนีนะ้เริ่มต้นตั้งแต่นะในช่วงต้นๆอลีฟลามีมจินกาอายาตุนกิตะบิลฮกีมนะก็ปกติคือว่าเริ่มต้นด้วย อัลลอฮฺสุบัยนุอฺตาลาให้ความสำคัญกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอักุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ของอัลลอเป็นกลามัลลอฮเป็นวายูจากอัลลอฮฺสุบัยนุอฺตาลาเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่อัลลอฮฺสุบัยนุอฺตาลาพระองค์ทรงประทานมาอย่างนบีองค์สุดท้ายคือท่านนบีของเรามูฮัมมัดสุลลฺลฮวะลิวะัลัมนะครับอิลกาอยาตุลกิตาบิลฮะคีมเป็นคัมภีร์ที่ชัดเจน เป็นคำพีเป็นคำพูดของพระองค์เป็นคำดำรัสของพระพุทนเจ้าที่ชัดเจนถูกต้องชัดเจนนะซึ่งกนะ็เป็นรูกลนึ่งจากรูกลนอิมานเ ก, กี่ยวกับเรื่องของการที่พวกเรานะพูดถึงเรื่องรูกลนอิมานทั้ง6ข้อเนี่ยนะส่วนหนึ่งจากรูกลนอิมานก็คือเรื่องของการศรัทธาต่อนะกิตตบิลฮะกีมนะต่ออัลฟุรคกอน ต่ อ, อวะยูของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาครับนในเมื่อเป็นอายันนี้สุร้อนนี้เป็นสุรามกเกียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มลักษณะอย่างนี้จะมาประเดิมในลักษณะอย่างนี้โดยการบอกถึงความยิ่งใหญ่ของคัมภี์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาครับเรามาดูในช่วงต้นเนี่อัลลอฮฺดูโดยเฉพาะในยันที่3ามเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาพระองค์ทรงตรัสว่า หูดาว่ารอฮะบาดลินบุห์สินีคำพีนี้อันกุรอานเนี่ยนะอันกุรอานที่ที่เราอ่านอยู่ทุกวันเนี่ยที่พี่น้องอ่านอยู่ทุกวันเนี่ยที่พี่น้องอ่านอยู่ตลอดเนี่ยคำพีนี้คือคมภีร์ที่เราจะได้รับอะไรจากคัมภีร์นี้นะคมภีร์นี้เป็นอะไรสําหรับเรานะคำพีนี้จะให้อะไรกับพวกเราในตาที่เราเป็นบ่าวของอล่อดเนี่ยครับคำพีนี้จะได้ให้ฮีดายะกับพวกเรา จะให้ทางนําจะให้แสงสว่างจะให้ทางนําแสงสว่างกับเราในน้องทุดสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่พี่น้องผู้ศรัทาต้องการสิ่งที่พวกเราต้องการทุกคนตอนนีนตอนนี้ณชั่วโมงนี้คือเราต้องการอยากจะได้ทางนำเราได้ t a ฟ f q ah i f q hidayah ว่าบิลละฮิ taufiq wal hidayah นะนะสัลลัลลอฮต taufiq al hidayah เรื่องของ t a ฟ f i เรื่องของ hidayah นี่คือสิ่งที่เราขออุดมอยู่ตลอด ฉะนั้นนะเป็นการยืนยันจากอัลกนะุรอานในช่วงต้นของโซนโลกมานว่ากุรอานคือทางนําเป็นฮนะุดนัชิฟะอันเป็นการเยียวยาเป็นโอสุดให้กับหัวใจของบรรดามวลมนุษยชาติวาระห์มัตันและเป็นเป็นรา hm นะห์มัตราะห์มะเป็นสิ่งที่สําคัญราะห์มะคือความโปรดปรานจากอัลสุบฮานุตาลา ถ้าพูดยังไงก็คือเป็นความรักจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลหมายความว่าผู้ที่อยู่กับอันกุรานผู้ใช้ชีวิตอยู่กับอันกุรานผู้นั้นจะได้รับทางนำจะได้รับฮูดาจะได้รับฮิดายะจะได้รับรอมาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวต่าลงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สุดยอดสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาพวกเราทุกคนพี่น้องทุกคน อยากจะได้ส nah, ิ y y ่งน no, ี ay at, ay at no, ้ฉะนั um no, ้นถ้าอยากจะได้สิ่งนี้เราจะต้องอยู่กับอายะตุลกตาบิลฮกีมจะต้องใช้ชีวิตต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกับกตาบลฮัมหรืออายะกตาบิลฮมหรืออยู่กับอักุรอานครับฮดาวะราะฮมะตันลิลมุฮซินี คำว่าฮดาวะราะห์มะตลินมุซินีนตรงนี้หมายถึงว่าคนที่อยู่กับอัลกุรอานคนนั้นอัลล์ให้ส่มัญญาว่ามุฮซินีคนที่จะเป็นมุคนที่เป็นมุซินีนี่คนนั้นแหละคือผู้ที่ถือกมสิทธิแห่งฮูดาและาะห์มะนะะัลลัลอฮฺมิอัลลอฮมะอนนมิหนซินีนอัลลอฮมบาริกแลนะนะวรุกนะมิหนุซินีนนะมุเพิ่งเพิ่ง ก่อนที่จะได้ฮูดากับรหมห์หรือชิฟาหรืออะไรเนี่ยนะอิบเนาะซิดใส่คำว่าฮูดวว่าชิฟาอันว่ารหมห์ซึ่งในอายัดอื่นจะมีคำว่าชิฟาอยู่ด้วยแต่ในอายันี้ไม่มีคำว่าชิฟะนะอันนี้เป็นหิกมัยจากอัลลอาฺ سبحانه และ تعالى บางอายัก็มีชิฟะและอื่นอื่นในอายัดอื่นก็มีก็มีคอื่นอีกคาพูดของลอสุมะดาล ะ, ะจะมีคาอื่นอีกที่มีความหมายคล้ายคลงกันรวนแล้วทั้งหมดก็เป็น สิ่งที่จะนะมาเยียวยาเป็นสิ่งที่จะมารักษานะชีวิตของเราให้มีความปลอดภัยทั้งโลกดุนยาและโลกอคัคระครับนั่นอยายะที่สมฮุดาวะราะมะทันลิลมุฮซินีนะซึ่งผมได้เกินนาไปแล้วเมื่อกี้บอกว่าเนะนิหวร์หรือว่าแกนหลักนะประเด็นหลักของของสุรานี้เนี่ยก็คือนะอัตเตรบียอารบานียคือ อในสุร้อนนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยจะเน้นผู้ศรัทธาจะเน้นผู้อ่านจะเน้นผู้ที่ใช้ชีวอยู่กับสุรนี้เนี่ยเน้นให้เราเนี่ได้เป็ น, นผู้ที่ได้รับการตะรบีะในรูปแบบของพระพุทธเจ้าในรูปแบบของอัลลอฮ์สุบฮานวาตาละคือพาเราไปสู่การไปสู่การที่ความรักต่ออัลลอฮ์ไปสู่การยอมรับต่ออัลลอฮ์ไปสู่การาพักดีต่ออัลลอฮ์แล้วไปสู่การ บูชาอัลล سبحانه แะ تعالى เต็มร um ูปแบบครับนั่นคือหุดอวะราะห์มะทันลิลมุฮซินีนะครับเรามาดูในอายะทันมาในอายะที่สี่เนี่ยนะอัลลอฮ سبحانه และ تعالى พระองค์ทรงตรัสในในเชิงขยายความขยายความในอายะที่สี่อัลลดีนะยุกีมูนะสอละวายุตุนะจิกะวะฮุมบิลอาขิรอติฮุมยุกินูนนะครับในอายะนี้นะ เป็นเป็นเป็นเป็นการขยายความเหมือนจะบอกว่ า, าอัลมูฮซินูนนหรือมูฮซินีนั่นะคือใครฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมูฮซินีนแต่พี่น้องอยากจะเป็นมูฮซินีเนะี่ยอย่างน้อยที่สุดพี่น้องจะต้องจะต้องอมีคุณลักษณะหรือว่ามีคุณสมบัติ ด, ดังต่อไปนี้นเรามาดูคุณสมบัติที่หนึ่งอัลลอฮฺดยุคีมูนัลอลาครับคุณสมบัติที่หนึ่ง พี่น้องจะต้องดํารงละหมาดจะต้องปฏิบัติละหมาดจะต้องมีละหมาดนะเป็นเป็นเลือดเนื้อนะเรื่องของละหมาดไม่ว่าละหมาดฮาเวลาหรือละหมาดซุนนะต่างๆนะอสซาลาตัวไอมาดูตีนละหมาดคือเสาหลักของศาสนาเสาหรือว่าเกณฑ์หลักของศาสนานะถ้าสมมุติว่า เราเปรียบเทียบกับอาคารหลังหนึ่งเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะต้องมาก่อนเพื่อนก่อนอื่นใดนี่ก็คือเรื่องของละห ม, มาดเรื่องของสุล่าด้วยเหตุ น, นี้ในหะดิษต่างต่างนี้ส่วนหนึ่งแก่ะดิษที่ที่ผมอ่านเมื่อกี้คือเอาส e ุลมมาตูอหมาดุดีละหมาดคือเรื่องหลักในศาสนาคือเสาของศาสนาครับคือเราจะต้องละห ม, มาดให้สมบูรณ์ละห ม, มาดด้วยความเอื้อคลาส ละหมาดที่ครบด้วยเงื่อนไขชูรุตต่างๆสุนนันต่างๆชูรูตัวฮาวะสุนานตัฮานามินน่าวาฟิลราติบะวะไก่รวะไก่รรอตี บ, ตบนะนาหมายถึงว่านาชูรูตของอะละหมาดในเรื่องของสุนันต์ต่างๆเงื่อนไขต่างๆไอ้ทั้งหมดเนี่ยจะละหมาดของเราถ้าถ้าเราต้องการจะให้เป็นละหมาดที่สมบูรณ์เนี่ยนาเราจะต้องนาะ เขาเรียกว่าส่วนประกอบที่จะทําให้ละหมาดของเราสวยงามเนี่ยเราจะต้องเก็บมาให้หมดไม่ใช่ว่าคือที่จริงแล้วถ้าสมมติว่าเราละหมาดโดยที่ว่าไม่มีละหมาดสุนัตคอเบเลียรหรือบาดี ก, ก็ก็ไม่มีปัญหาะละหมาดก็ซรออยู่แล้วแต่ถ้าให้ละหมาดของเราได้คะแนเนเต็มมีความสวยงามมีความสมบูรณ์ละหมาดอย่างนั้นแหละที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาได้กล่าวไว้ในอายะฮ์อื่นว่า อินนัสรละแต่ตันหาอันินฟะชัยวันมุนครแท้จริงละหมาดที่สมบูรณ์นั้นนะแท้จริงการละหมาดที่สมบูรณ์ที่เราทําอยู่เนี่ยนะสามารถมันสามารถที่จะหักห้ามตัวเรานะไม่ไปไม่ไปม่ ไ, ม ไ, มไมปปฏิบัติความชั่วไม่ไปปฏิบัติความโสมมเลวทรามต่างต่งตงนะหมายความว่าถ้าเราละหมาดดีเนี่ยถ้าพี่น้องละหมาดดีละหมาดถูกต้อง ละหมาดด้วยความเอี้ยาลด้วยความโคชัวตาวัดตัวมีต่อมานี้ยนะละหมาดสมบูรณ์ว่างันเถอะแน่นอนที่สุดเราจะเป็นคนดีของลอสสุภานวตาละเราจะเป็นมุฮซินและบรรดาอับยามุกต่างๆฟาชะต่างๆมุงการต่างๆสิ่งที่ร้สาระสิ่งที่โสมมมสิ่งที่ไม่ดีไม่งานต่างๆสิ่งที่เป็นมะเซสดต่างๆก็ไม่สามารถที่จะมาเจาะมาชัย หัวใจของเราได้แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าละหมานั้นเป็นละหมาดที่สมบูรณ์อิคอมาจุสซาลาในภาษาอาหรับถ้าว่าคำว่าอิคอมาคือการดํารงละหมาดไม่ใช่ทําละหมาด mm hmm. คําว่าทําละหมาดคําว่าทํากับดํารงถ้าเราไปแยกแยะแล้วในภาษาไทยนี้คงจะมีรายละเอียดไม่ไมไมไมต่างกันนะคําว่าดํารงคือทําละหมาดอย่างสมบูรณ์แบบนะตามหลักการของออิสลามหลักการของชาดิยาอิสลามหลักการที่น บ, บีได้สอนไว้ ตามซุนนาของท่านนาบีละหมาดตามซุนนาของท่านนาบีนะครับนั่นคือความสําคัญของการละหมาดต่อมาประการที่สประการต่อมาวิยุตุนาจากาักรและพร้อมกันนะเราผู้นั้นหรือว่าเราเนี่ยนะผู้ศรัทธาเราที่นั่งอยู่เนี่ยที่อยู่อยู่เนี่ยนะละหมาดสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะสองจะต้องบริจาคอากาศให้อากาศ มาอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์นะถ้าเราอยากจะเป็นมุฮซินีนถ้าพี่น้องอยากจะเป็นมุฮซินีนของอัลลอฮ์ سبحانه และเตาราเนี่ยพี่น้องละหมาดสมบูรณ์แล้วก็ให้สักออกสักาศอย่างสมบูรณ์นะวายุตูนักสกาละหมาดกับสักาศเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะท่านอิมัมอิมิกซีดนะบอกว่านะเราอ่าสอละกับสักาศสองคำนี้นะ จะถูกกล่าว ต, ติดกันเลยในะอันกุรอานนี้ถึง82ที่นะว่าที่มุสล่าตะวักาฏวายุทูนัสจากาวะซาอัวายุทูยุคีมูนัสซาละวายุทูนัสกาฏมี82ที่82แห่งเลยตรงนี้มีนัยยะที่จะบอกเราแบบแบบมีนัยยะเลยว่าสองอย่างนี้แยกกันไม่ออกสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้เลยคือพอมาพูดเรื่องนี้เนะี่ย ว่าแกะความเป็นจริงในสังคมเราเนะีนะ่ยมีพี่น้องของเราบางคนละหมาดดีละหมาดเก่งละหมาดสมบูรณ์แต่ว่าเรื่องของสาักาศนะไม่ผ่านบางคนออกสักาศดีพอถึงฤดูการเราเอาโอนมาช็อตแลมีเงินเหลือน่นนั่นนี่นะออกสักาศเพร้อมเต็มที่สมบูรณ์แต่เรื่องละหมาดไม่ค่อยสมบูรณ์ครับตรงนี้ครับอยากจะ ทบทวนพี่น้องอยากจะย้ำพี่น้องแล้วก็ผมย้ำตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายทั้งพี่น้องศรัทธาทุกท่านเนี่ยนะว่าระหว่างก้มิตรศรัทธาว่ากับอีตาอิสระระหว่างละหมาดกับเรื่องของสการ์เนี่ยจะต้องไปคั่วพู่กันเลยครับเรื่องนี้อยากจะยกหลักฐานอยากจะยกหลักฐานส่วนหนึ่งก็มีฮะดิษหนึ่ง เ, เป็นฮะดิษที่รายงานโดย เป็นฮัจจ์ของอิบนมรนะรายงานดุลย์ยาหมานะเป็นฮัจจ์ฮัจจ์ที่ท่านนาบีสุลต่านละวาริวัตสั่งแล้วท่านนาบีได้ส่งมาอัตไปเมืองยเมนไปประเทศเยเมนหรือประเทศยเม น, นให้ไปดาวะอารุนกิตาบที่ยเม น, น, ะ น, ะนะสิ่งแรกที่นบีสั่งในฐานะที่มาฮัเป็นทูตของท่านนาบีไปยังเมืองยเมนสิ่งแรกที่นบีสั่งไปาวก็คือนบีสั่งให้ นะมุอาสนะไปดาวานะก้ิม้าชาดดอาดา่วไปสู่ลนะอิลลัลลอฮ์อาการที่หนึ่งนะนบีบอกว่าถ้าพวกเขายอมรับลายละอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือเจ้าจะต้องดาวาไปสู่การละหมาดไปสู่ซอล่านะนะด่าวาไปสู่การทำละหมาดที่สมบูรณนะ์หากพวกเขานะถ้า ยอมรับในเรื่องของการละหมาดแล้วทำละหมาดสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะ้าเจ้าจะต้องดาวางพวกเขาไปสู่การออกอากาศนะบริจาคสักการะนะสอนบอกพวกเขาว่าจงเอาสกานี้จากคนรวยในหมู่พวกเขาเน่นะมาให้กับนะคนยากจนขัดสนผู้ด้อยโอกาสในหมู่พวกเขาเช่นกันครับตรงนี้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ มันสอดคล้องกับอายะที่เรากําลังอ่านว่าเรื่องสําคัญเป็นโครงสร้างหลักในอิสลามเลยนะก็คือเรื่องของการละหมาดและเรื่องของการออกปะกาศตรงนี้อยากจะตั้ง อ, อ, อยากจะตั้งข้ อ, ข, อข้อพิข้อพิจารณานิหนึง่งอยากจะตั้งข้อสงสัยเป็นเป็นโจทย์นิดหนึง่งอยากจะให้พี่น้องได้คิดว่าทำไมนะเราทำไมที่อัลลอฮฺสุบบานาลาพระองค์ทรง กำชับให้ทําละหมาดและออกสักาศติดกันกลยกันสองคำสองประโยคกล้กันเนี่ยตรงนี้ในยะก็คือว่าส่วนหนึ่งอย่างในยะนะส่วนหนึ่งอย่างยะคือจะบอกว่าอิสลามนั้นสอนมนุษย์ให้อ่ให้มีระบบให้มีระเบียบให้อ่มีความบริสุทธิ์ใจทางด้านวิญญาณของตัวเองอ่คือเรื่องคือเรื่องของการละหมาดเพราะการละหมานี้เป็นการสอน ในให้มนุษย์ได้ได้เข้าฟับได้เข้าฟัาผู้เป็นเจ้านะได้มนอายัดกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้เข้าเฝ้าพระองค์ได้กราบไหว้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาในเวลาเดียวกันก็สอนให้มนุษย์มีระบบมีระเบียบนะสอนให้มนุษย์นั้นรู้จักระบบรู้จักระเบียบจะเข้าเาอนะัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลามีหลังลยึดและในเรื่องของส่วนในเรื่องของสากลานะมันจะสอนมนุษย์ให้ช่วยเหลือสังคม นะเพราะมนุษย์ที่เราที่เกิดมาบนโลกเนี่ยจุดประสรงค์หนึ่งส่วนหนึ่งที่อรรถสุภาษดาลาพระองค์ทรงต้องการก็คือต้องการที่จะให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราสังเกตได้จากหลายๆอายะหรือเกือบจะทุกอายะเลยที่ทุกอายะเลยในอันกรุณาเนี่จะใช้คำภูพจนศใช้คําว่าใชนะ้ย้ำเช่นอียกันนบุรุวาอียกันนาสตาอินใช้ตัวนูนูหนหมายถึงยมามะเป็นคําำภูพจน์ เช่นในอายะห์ว่าตอซิมูบิฮับลินละใช้ย้ำใช้คำพปรพธตรงนี้ก็จะบอกว่ามนุษย์คือถ้าภาษานักเรียนเขาจะใช้ว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมมนุษย์จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็สอดคลอการิสนาบีบอกว่ากอลาร์ซูลล้อยโซโลโลอาิวซัลครุนสอัลฟาอนัสเอาครุนัสอัลฟาอฮุมลินนัสเอาคำมังกร นะฉะนั้นนะตรงนี้ผมคิดว่าเอกมาดอัลลอฮ์สุบานาราสร้างมนุษยส์สร้างพวกเรามาเนี่ยนะคือหนึ่ ง, ต, งต้องการที่จะให้หัวใจของเราที่ถูกสร้างมาเนี่ยนะได้มีความโยงใหญ่ติดต่นะขอขรระเจ้าอัลลอฮ์สุบานดาร่าผ่านเรื่องของละหมาดและเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของซิรุนล์เรื่อ ง, อ, งอื่นๆอีกหลายเรื่องเนี่ย แต่ว่าเรื่องหลักก็คือเรื่องละหมาดการบูชาอัลลอฮ์ด้วยผ่านการนามัสการอัลลอฮ์ด้วยด้วยด้วยศอั <S <S นะแล้วก็เรื่องเรื่องของอ า, ากาศนี่ก็คือนะสอนเราใหนะ้มีความรักกับเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะที่จริงแล้วคนเราจะสมมุติว่านายกเนี่ยมีความร่ารวยมีความพร้อมมีเงินเยอะนะอยู่คนเดียวนี่ก็คงจะไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะถ้าจะกินก็กินแค่นั้น กินแค่จานเดียวแค่ชามเดียวถ้านอนก็ เ, นนเหมือนกับคนที่คนไม่รวยก็นอนไม่เกิน6กชั่วโมงไม่เกินเจดชั่วโมงก็ก็ร้ายประโยชน์นะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาลาพระองค์ทรงตรัสไว้ในอันกุรอานหลายอายะหลายสุราะโดยเฉพาะสุลาะนี้จะพูดถึงเรื่องของการออกอากาศครับต่อไปก็คุณัลสุบฮาที่สาม ทีจริงแล้วคุณสมบัติอื่นๆที่กล่าวเนี้ยย่าให้ อ, อื่นอีกมากมายแต่คุณสมบัติหลักๆที่กล่าวตรงนี้ก็มีคุณสมบัตคุณสมบัติสาสิฟา้าดของมอสซินีเนี้ยสิฟ้าตที่3คุณลักษณะที่สหรือคุณสมบัติที่สคือมุ่งมินคนนั้นหรือว่าพวกเรานี้จะต้องเป็นคนที่อยากเปลีนเชื่อแน่วแน่ยากเีนแน่วแน่ในหัวใจว่าโลกหน้ามีจริง นะข้อนี้สำคัญมากเลยนะข้อนี้สาคัญมากนะคนที่ตกเป็นกาเฟสเนี่ยส่วนใหญ่จะหลุดข้อนี้นะไม่เชื่ออัลลอฮ์แล้วไม่เชื่อลกงนากลางๆบางทีอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเนะช่นว่าอิมานต่อรอซูนอิมานต่อบักคัมพีนู่นนั่นนี่อาจจะนะแต่การที่ไม่เชื่อลกหนาเนี่ยเป็นค น, คนลักษณะที่อันตรายสำหรับคนบางคนเลย คนบางคนเป็นคนดีแต่ว่าไม่ยอมรับลูกนาคือมันสมองสมองในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยมีมันสมองที่อเลาให้มาเนี่ยคือสมองของรับไม่ได้ถ้าสมองที่ไม่ได้ผ่านอันกุรอานถ้าสมองไม่ได้ผ่านสุนนะของท่านอบีถ้าสมองที่ไม่มีอิสลามเนี่ยบางทีอาจจะมองมองไม่เห็นมองไม่ถึงขณะนักปราศในอดีตนักปราศที่ นะเรื่องลือนักปราชญ์ที่ดังๆในอดีตที่ว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเนี่ยมาติดข้อนี้แหละติดข้ อ, ขอไปไม่ถึงอาครีระฉะนั้นการยากกินต่ออาครีรอการเชื่อมั่นว่าอัลลอหฺฮักกุนวะันนบีอยู q q ่ฮักกุนวันน้ารุ้ฮักกุนวันเจ้านะฮักกุนเนี่ยข้อนี้สำคัญมากบิลเกรบอัลลีนะนะมีนูนบิลเกรบ ส่วนหนึ่งจากเก็บก็คือเรื่องของอาคิร์ฉะนั้นวันนี้3คุณสมบัติที่ในช่วงแรกเนี่ยอยากจะฝากพี่น้องผู้ศรัท ธ, ธาฝากพี่น้องท่านผู้ฟังชาวรามอตอในช่วงแรกตรงนี้ไว้ก่อนคราบอาจารย์ครับอันทำเดี๋ยล้วครับเดียวกูเสีย6ต่อใช่ไหมห้าหกต่อใช่ไหมครับถ้ามีเวลาก็จะสะรุปถึง<อ>จิมวันนี้เลยโอเคเได้ครับก็อันทำเดแล้วนะครับพี่น้องมุซมินพี่น้องมูซิมที่รักทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ในรายการหลายท่านทีเดียวนะครับมาชาล รับชมกันทั่วทั้งประเทศไทยนะครับีทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือนะครับก็อยู่ในรายการของเราทั้งหมดทำดินละนะครับเรเปิดรายการวันแรกนะครับแต่พี่น้องให้ความสนใจในการเรียนรู้จากเชื้ออังกนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเมกี้นะครับอายะที่1ถึงอายะที่ที่สี่นะครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ เรื่องราสำคัญที่ประบอได้นำเสนอไปนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะสรุปนะครับอยากใช้ประบอก ไ, ได้เพิ่มเติมอีกสองสามอายัิที่เหลือครับเพื่อที่จะได้จะได้ปิดวันนี้ครับคือในช่วงแรกนี้จ็ดสรุปอายัด ท, ที่5 อ, อาย ท, ที่5ก่อนสรุปสั้นๆเนี่อายัด ท, ที่5ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยสรุปว่าอุลออิกาและฮุดัมมิรอมบีหิมพวกเหล่านี้แหละคนเหล่านี้แหละคือผู้คนพวกที่จะรับทางนาจากพระเจ้าของเขา คนจะได้ฮูดาคุณจะได้ฮิดายาเนี่ยคือคนพูดอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีคุณสมบัติสประการที่ผ่านมาแล้วและอัลลอฮฺสุลฮฺตาลาบอกว่าอุลเอิกว่าอุลเอิกอีกตัวหนึ่งตรงนี้ถ้าเรามองในแง่วยากรณ์อาหรับนี่มันมีความสําคัญมากอุลเลอิกอัลาฮูดัมมิรบิฮิบว่อุลเอิกอีกทีหนึ่งแล้วก็ฮุมเขาเรียกว่ายุมไลอิสมียอ่ายุมไลอิสมีย์นี่มีความสําคัญคือเพื่อนที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ นะพวกเขาฮูมุ m มูฟเลฮูนเขาละคือผู้ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงได้เข้าสวนสวรรค์ของลอสุภาณาตาลานี่คือสรุปจาก5อาย่าแรกครับอาจารย์ต่อไปขออนุญาตไปนะสองอาย่าสุดท้ายสำหรับเชาวนีนะ้ก็คืออาย่าที่6และอาย่าที่7ครับส่วนาย่าที่6และที่7เนี่ยนะก็เขาเรียกว่านะ เ, ปเป็นคำพูดของลอสุภาณาตาลาที่มันตรงกันข้ามกับ อาายัดก่อนหน้านี้หมายถึงตรงกันข้ามกับอายัดที่สองสามสี่ห้าอายัดที่2องสามห้าก็คือพูดถึงเรื่องคนดีเรื่องของมอศินีนนะมอศินีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะหรือว่ามอศินีนคือคนที่ฟังอันกุรอานคนที่อยู่กับอันกุรอานฟังอันกุรอานแล้วก็อินติฟาบิลกุรอานอินคารีมนะใช้ประโยชน์จากอันกุรอานแต่ับประโยชน์จากอันกุรอานนะครับแต่ในอายัดที่6และที่7ดนี้คือคนที่ตรงกันข้ามพวกตรงกันข้าม พวกตัวเงาข้ามคือพวกไหนครับเรามาดูพี่น้องมาดูว่ามีแน่สิและส่วนหนึ่งจากมนุษย์เราเนี่ยนะไม่ยัชดารีละวะฮัดดิคือคนที่นะยัชดรีที่จริงแล้วแปลว่าขายนะขายเล็กถ้าว่าขายอิมานแต่ไปซื้ออะไรไปซื้อลาวะฮัดีิละวะฮัดดิเนียอิมูกาซีและท่านอื่นๆหลายท่านนี้จะแปลว่าอัลลีน่าจะแปลว่าเสียงเพลงนะเสียงเพลงที่ที่พร้อมไปด้วย ดนตรีนะเสียงเพลงที่พร้อมไปดนตรีอยาย่นี้แหละเป็นอายาที่ว่าอายะที่บอกว่าเสียงเพลงที่พร้อมกับดนตรีนะฮารอมอยาย่นี้แหละ อ, อุลมามะส่วนใหญ่นะไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกส่วนเลยอุลมามะทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยแตใช่อยา<ต>อยน่ยนี้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรือ่องของเกี่ยวกับเรื่องของห้ามห้ามร้องเพลงที่พร้อมด้วยมาซามียดนะพร้อมด้วยดนตรีต่างๆครับฉะนั้นในอายาที่6เนี่ย เลาบอกว่าผู้ที่เล่นดนตรีผู้ที่มีร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีแล้วก็ยึดเอาเรื่องของละเล่นต่างๆเรื่องของคอนเสิร์ตเรื่องของต่างๆที่บรรดาพวกเชตอนกําลังเล่นอยู่เนี่ยมันทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยถ้ายึดเอาสิ่งนี้มาเป็นสาระแห่งชีวิต <im novelty> มาเป็นเรื่องของชีวิตมาเป็นเรื่องอาอามาเป็นเรื่องของชีวิตของพวกเขาเนี่ย เราบอกว่าพวกนี้จะได้รับจะรับโทษจากอลัทธิสุภาดาลาอย่างแน่นอนอุลลอิกละล่าหูหมายและบุญบุหินนะครับนี่คืออายะที่6ว่าอีกจะทุจราตและที่อายะทูนาวัลละมุสตักบิรังกอลลัมยะสมาหะนะและเมื่อมีการอ่านกุรานนะอายะของลัทธิสุภาดาลาเกิดขึ้นหรือว่าเมื่อมีคนมาอ่านคุรานให้ฟังนะมีมีคนมาสอนกุรานให้ฟังนะหูของเขาก็จะ ไม่เงินไปฟังในสิ่งเหล่านี้ไม่เงินไปฟังในสิ่งเหล่านี้ไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้เขาไม่ชอบฟังอันกุรานไม่รักอันกุรานแถมยังเกลียดอันกุรานอยู่ในซ้ำนะพวกนี้คือตัวนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่บุงบอกว่าคนที่ชอบอยู่กับเสียงเพลงที่ร้ายสาระเสียงเพลงที่พร้อมด้วยเสียงดนตรีที่ร้าสารเนี่ยเหมือนที่พวกเราทราบเป็นดีเนี่ย คนพวกนี้หัวใจของเขาจะกระด้างหขอใจของพวกเขาจะขึ้นสนิมนะหัวใจอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไปบอกเรื่องของอันกุรอานไปเชิญชวนให้มาอ่านอันกุรอานนี้มันเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาฉะนั้นนะเราในฐานะพุทธา ต, าตาตอรอสบาดาราเนี่ยพยายามอย่ า, ยาไปทําสิ่งเหล่านี้ถ้าสมมุติเราไปทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยหัวใจของเราจะไม่รักอันกุรอานในเมื่อนะเป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นอย่างนี้เราอูซูบิลามิเซลิกเนี่ย แน่นอนที่สุดเราก็จะเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนครับฉะนั้ น, นในอายุที่ 6, ละอายะที่7นีน้เป็นการเตือนผู้ศรัทธาและเป็นการเตือนคนทั่วไปว่าถ้าเราอยู่กับเสียงเพลงเราอยู่กับเสียงดนตรีเราอยู่กับสิ่งร้ายสาระเหมือนกับที่ชัยตอนได้มายั่วยุได้มา นำมานําเสนอกับพวกเราตอนนี้ซึ่งมีสื่อต่างๆมีเช่นเรื่องของโทรศัพท์ก็ดีเรื่องวิทยุก็ดีเรื่องของโทรทัศน์ก็ดีเรื่องของการละเลนต่างๆที่มันโชมมาโซเชียลมีเดียอะไรเยอะแยะมากมายที่มันมันมาครอบงาสังคมเราเนี่ย mm hmm. ครอบงาสังคมก็หมายถึงว่ามาครอบงําพวกเราโดยอัตโนมัติ uh, ในเมื่อสิ่งเหล่านี้มาครอบงําเราเนี่ยเราจะต้องมีสติ uh, ผู้สัทธาจะต้องมีสติ อย่าลืมว่าสิ่งที่จะช่วยเหลือเราได้ก็คือพระมหากพิธีอ่านคุรานกาละมุลละว่าอยู่กับอลลอฮฺสุบานุอาดัลละครับแน่นอนที่สุดหลุมที่สองนี้อัลลอฮฺบอกว่าฟัประชิรภูพิยาจะบินอาลีมดังนั้นโอูมุฮัมมัดจ้าจงบอกข่าวดีแก่พวกนี้เถือว่าเขาจะได้รับโทษทันที่แสนเจ็บแสบในคุรานนี้จะใช้คําว่าบอกข่าวดีที่จริงจะได้รับข่าวร้ายแต่เขาบอกว่าเที่ยวมีข่าวดีมาบอกนะ S <S แตพ่พอบอกปั๊บนี่เป็นข่าวร้ายนนี้เป็นอุสลปปรบุคคลอ่านเป็นอุสรญาญาสอุสรอุสลรบาลารีญาญาอุสลปปรบุคคลอ่านญาญาจุนกุศานะครับเร า, าบอกข่าวดีโจ๊กบอกข่าวดีเก็บพวกนี้แต่เรารกก็ดีใจว่านี่ก็เป็นข่าวดีจริงแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวที่ผมจะบอกข่าวร้ายตกใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องปกติบอกข่าวร้าย นะคําว่าตับชีตเนี่ยแปลว่าบอ ก, บอกข่าวดีครับเก็คือในอายะห์สองอายะห์หลังนี้ก็กเป็นอายะห์ที่จะมาเตือนพวกเราว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของลาวัลหดรีสหรืออารีนาหรือเสียงเพลงที่รายสาร ะ, ะเสียงเพลงที่มาจากเชยตอนครับคนอุลลาอาบะที่ ที่ตีความคขาว่าล้่าวัาฮะดีว่าเบลรีนะเป็นเสียงเพลงก็คือท่านอับดุลลาเบนมัสอูดและก็ท่านอิมนุอัมบัสก็เป็นอุฟัซเซตทั้งสองอุฟัซเซที่ดังด้วยเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หเรื่องของการตัเสเบอร์นเรื่องของการตัดเส้ทันอมบัสอับาเบนมัสอูดครับทั้งสองท่านเนี่ยก็อธิบายเหมือนกันเลยอธิบายเหมือนกันเลยครับก็ครับก็ในช่วงนี้ก็คงจะ สรุปไว้จุงนี้ก่อนครับมันทำดิิล้วนะครับบบใช้เวลา45นาทีพอดีเลยนะครับในการอธิบายนะครับตั้งแต่อายะห์ที่หนึ่งถึงอายะห์ที่8ปดของสุรลูกมานะครับจริงแล้วผมเองก็เคยเรียนตับซิดนี้มาในมหาวิทยาลัยตอนอยู่มดีนะครับแล้วก็ลืมไปบ้างแล้วนะครับวันนี้บบบก็ได้มารื้อฟื้นนะครับทบทวนกันใหม่นะครับรื้อฟื้นตลอดเลยแล้วก็ผมเองก็ได้สรุปนะครับประเด็นสาคัญไว 4-5 ประเด็นด้วยกันที่พี่น้องที่เข้ามาทีหลังตอนนี้อยู่กันเยอะมากมาเชอญร้อนนะครับเหพี่น้องที่มาทีหลังนะครับผมว่าจะสรุปนะครับตั้งแต่ต้นอายะที่1ถึงอายะที่แนะครับเนาะและก็หวังว่าวันต่อๆไปนะครับเวลาหมงเช้าแบบนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอินชอนะฮะเริ่มจากสุระอนนี้นะครับเป็นสุระอนที่เริ่มด้วยกับอัลลิฟลามีมนะครับพี่น้องจะเจอบ่อยมากอลิฟลามีมอลิฟลามรอภาษาอาหรับก็ใช้ก็ฮฟุลมุกต้อ ฮัทฟอร์ดบักตต์อานี่มาถึงอักษยรย่อที่อยู่ขึ้นต้นอังกฤษนะครับมีทั้งหมดยี่สิบเก้าโซลอด้วยกันพี่น้องที่พี่น้องเจออลิฟรามรออลิฟเอ่อรามมีมและก็ต่างๆที่พี่น้องเจอเนี่ยมีทั้งหมดยี่สิบเก้าโซลอด้วยกันนะครับ ซึ่งยีสิบเก้าโซลเนี่ยถ้าแยกเป็นอักษรแล้วทั้งหมดมีสิบสี่อักษรครับพ่อปนะครับมีทั้งหมด14อักษรด้วยกันนะครับบางอักษรก็บางซล้อก็ใช้อักษรที่ซ้ากันไปนะครับออลิฟบ้างลามบ้างมีบ้างรอบ้างฮากอฟกาฟนะครับจะแตกต่างกันไปแต่รวมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนั้นมีสิบสีอักษรนะครับอยู่กระจายอยู่ในยีสิบเก้าโซลด้วยกันนะครับล้อลูกมารนะครับลุกมานก็เป็นเป็นรอร์ลอซแหละเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งนะครับดีมากๆ ถึงขั้นว่าถูกกล่าวไว้ในอันการานะครับถัดมานะครับอันกราร์กิตตาพที่ได้กล่าวในอายั น, นี้นะครับในสนุรทิฏฐิอันกุรานนั่นเองอันการานั้นเป็นอะไรครับอันกราร์คือฮูเดาคือทางนำราะมะอันกราร์คือความเมตตานะครับแล้วก็มีบางอายะที่มาอธิบายคําว่าอันกราร์คืออะไรเพิ่มเติ ม, มคือชิฟะคือเป็น เป็นยารักษานะครับทางภายนอกและภายในนะครับซึ่งนะครับอังกอราเนี่ยเป็นทางนำและก็เป็นรอห์มัดเป็นทางนำและก็เป็นความเมตตาให้กับใครนะครับให้กับมุฮซินีนคนที่ประกอบคุณงามความดีทั้งหลาย นในงั้นอายาตรงนี้นะครับบอกว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้ชื่อว่าเป็นมุฮซินีนเป็นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีเนี่ยเขาจะต้องมีคุณลักษณะด้วยกัน3ประการนะครับประการที่หนึ่งเขาจะต้องดํารงไว้ซึ่งการละหมาดที่ครบถ้วนและก็ถูกต้องด้วย2เขาจะต้องดํารงไว้ซึ่งการ จ, จ่ายซะกัดประจําปีนะครับ และก็3เมเขาต้องเป็นบุคคลที่มีอี إ ม م ا ن ศรัทธาต่อวันอัครย์โลกหน้านะครับและก็ชีวิตของเขานั้นนะครับทำดุนยาให้ดีแล้วก็ทําอาครย์ให้ดีด้วยนะครับปะโบได้อธิบายถึงนะครับที่อุลมามะมุฟัซเซได้อธิบายถึงข้อข้อสัมพันธ์นะครับระหว่างอัสร์และอัจการนะครับอัสร์คือการละหมาดอัากาตนะครับก็คือการแจกสการทําไมกล่าวถึง82ครั้งในอังกอรานซึ่งเยอะมากๆนะครับ ถ้าเราจะไปดูรุกกนอิมันหรือว่ารุกกนอิสลามหรือหลักการต่างๆอื่นๆเนี่ยนะครับถูกกล่าวอั น, อนกรานไหมถูกกล่าวนะครับแต่ถ้าถูกกล่าวเพียงคู่ๆกันเนี่ยมันมีน้อยนะครับแต่ละมาและสกัดเนี่ยนะครับกล่าวถึง 80สครั้งด้วยการสื่อถึงความสําคัญที่อัลลอฮ์ให้นะครับทั้งในมิติของภักอิบารัดาที่เป็นการละหมาดและก็มิติสกัดเรื่องของอการช่วยเหลือการเกือ้อกูลกันและกันนะครับเพราะว่าชีวิตของเราต้องนำลงนะครับทาดุนยาและก็ให้ได้มาซึ่งอาคเครนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้นะักวิชาการก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าสาเหตุที่อัลลอฮ์ได้ให้อัสซอละอัลสกัดการละหมาดและก็การ จ, จา่ายสกาดนั้นอยู่คู่กันถึง8 2ครั้งเนี่ยนะครับด้วยผลที่ว่า ให้เราทุกคนนั้นได้รำลึกนึกถึงอัลลอฮสุฮาตาลาและก็ให้อกภาพตา่อฮีดุลลอหให้อกภาพตา่ออัลลอสุบฮานตาลาเพราะอั ส, สลคออือเป็นเป็นหนึ่งของประเภทของต่อฮีดนะครับประเภทอัสรลคือตอฮีดอันอูลูฮียะอั ส, สลคือต่อฮีดอันอูลูฮียะต่อฮีดที่ให้หลักเอกภาพตา่ออัลลอฮฺสุฮาตาลาในแง่ของการเป็นพระเจ้า ผู้ถูกเคารพสักการะนั่นเองนะครับดังนั้นให้เรามีจิตสำนึกคิดเสมอว่าเาลาคือพระเจ้าของเราเรื่องการละหมาดนี้แหละนะครับสองซากาสเนี่ยนะครับความจริงแล้วมันมิติของภาคสังคมการช่วยเหลือกันและกันแต่อีกมิติหนึ่งที่ลึกไปกว่านั้นก็คือซากาสเนี่ยจะรวมถึงหลักอักิดา ข, ของเราตาอฮิตอัรูบูบิยะ ที่ให้เอกภาพต่อลรสสัตยาด้านว่าพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างและพระองค์ผู้ทรงให้ปัจจัยให้ทรงให้ริสกีนั่นเองครับก็เสริมนิดหนึ่งคือจากตรงนี้เรื่องของสัตยาและเรื่องของสากาดนี่คือจะบอกว่าอิสลามมันสอนให้เรารักค้อเล็กด้วยการสัตยาและรักและก็รักมัคลูด้วยการสากาดอ๋อครับอาะเชื่อมโยงกันได้ครับนะครับก็อีกนิดนึงครก็คือสากาดนะครับก็คือให้เรา nan เรียกว่า ได้มีหลักเอกภาพต่อลอสุมฮาจาราว่าพระองค์เป็นผู้ทรงอัรรอซิกร์รซักอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ปัจจัยริสกีกับเราดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ปัจจัยริสกีกับเราแล้วนะต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับแสดงว่าอัลกัตเนี่ยเข้าทั้งสองมิติมิติของการให้กับภาพต่อลอในด้านอารบูบียะว่าพระองค์เป็นผู้ทรงให้ปัจจัยยังชีพให้ดิสกีกับเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มนุษย์ทนงตนนะครับว่าที่ได้เงินมาที่ได้ทรัพย์มาเนี่ยเพราะความสามารถของเขาความจริงแล้วนั้น เพราะการให้ของลอสวาฮาตาลาพอให้แล้วเป็นไงครับให้แล้วก็ต้องไปช่วยเหลือคนที่ขัดสนคนที่ยากไร้นั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมีอาคีร่ดาดีขนาดไหนนะครับหรือว่าละหมาดดีขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีข้อบุร่องทางหลักอาคีร่าของเราเกี่ยวกับลูกหน้านะครับเราก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่ศรัทธาต่อลอสวาฮาตาลานะครับเพราะว่าข้อแบ่งแยกใหญ่ๆระหว่างคนที่ศรัทธากับคนที่ไม่ศรัทธาหนึ่งเรื่องของการละหมาด สองเรื่องการสการ์ดนี่แหละนะครับและก็3เรื่องของการศรัทธาต่อโลกหน้านี่คือเขาจําแนกแบ่งแยกระหว่างคนที่มีอีมากับคนที่ไม่มีอีมานั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมี3ประการนี้ดํำรงไว้ซึ่งการละหมาดดำรงไว้ซึ่งการจ่ายสกาและก็มีความเชื่อต่อโลกอโลกหน้านี่แหละเขาจะกลายเป็นบุคคลที่มุฮซินีนคนที่ประพฤติดีต่อโลกสุบฮานตลาและคนนี้แหละเขาจะได้รับอะไรครับสุดท้ายฮูเด ทางนำรักมาและก็ความเมตตาจากอรรถสุบภานาะวัตตาลานะครับนั่นคือในช่วง2อาอายาแรกนะครับถัดมานะครับอายาอา ย, าอายาช่วงที่ 6-7 นะครับก็ 6, 7, นะครับก็อีกมุมหนึ่งนะครับที่มรรทบอดอธิบายไว้นะครับตะเกนมุมของมอสินีนอีกมุมก็คือมุมของอัสฮาบุลละวีนะครับมุมของบุคคลที่ปฏิบัติตัวตรงข้ามกับมอสินีน ก็ค okay. อัสชาบุญ ล, ละวีคือบคุคคลที่ทําตามอารมณ์ของเขาทําตามสิ่งที่ไร้าสาระนะครับทําตามกระแสสังคมว่าสังคมชร์ตอนบาร์นั้นชี้ไปทางไหนเขาจะทําตามนะครับชร์ตอนบารนั้นเนี่ยเขามีสื่อหลักอยู่ไม่กี่ตัวชร์ตอนมีสื่อไม่กี่ตัวที่จะดึงผู้คนออกจากขนทางของล้อโซมาตาลาเนี่ยหลักๆเลยจะใช้อัลลาฮูนี่แหละนะครับทึ่งมูฟัตซอรนะครับอธิบายนะครับว่าอัลลาฮูตรงนี้นะครับสิ่งไร้สาระเนี่ยนะครับจะเจาะลึกไปเรื่องของอการร้องลานะครับ ร้รองรําทํา <ทำ S 2> เพล ง, พลงใช่ไหมฮะก็คือการเต้นร้องเพลงนะครับที่มีดนตรีประกอบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้ามองทั่วไปแล้วมันเหมือนสิ่งที่เหมือนเหมือน เ, อนเรื่องเล็กๆนะพี่น้องคงคิมว่าเออฟังเพลงก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องเล็กแต่นาอัลลอฮฺสุลัเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะเป็นเรื่องถูกกล่าวในอันกรานเลยนะครับแล้วก็เป็นขอ<ำ>้อทําให้ลืมอลัลลอฮฺ ใช่เพราะว่ามันมันเคล้มมันเหมือนมันเหมือนสนุกมันมัมันมันเหมือนมีความสุขนะครับแต่มันมีความสุขกับเชตตอนแล้วก็ทําให้เราห่างเหินกับอัลลอฮฺสุบะฮานะตะลาข้าวทางเชตตอนข้าวทางเพราะเชตตอนเป็นเครื่องมือนะก็คือดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องมือของเชตตอนนะไม่ใช่เครื่องมือของคนนะครับเรานี่อยู่ปลายทางไปนะแล้แต่ทั้งหมดมันเป็นกลไกของเชตตอนที่จะรอดลวงให้คนเนี่ย พินหางจะล่อสมุทรลาโดยใช้เครื่องมือคืนดนตรีนี่เองนะฮะดงนั้นบุคคลที่ลุ่มหลงหรือว่าอยู่ในสังคมแห่งดนตรีทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขาจะกลายเป็นบุคคลที่ดอนลานแล้วนะครั บ, รบเขาจะหลงทางครับเยอตอนนี้พอมาพูดถึงตรงนี้บางทีพี่น้องบางท่านที่กำลังนั่งฟั ง, งอยู่อาจจะสงสัยว่าหนาเชตที่มีเนื้อหาสาระแบบอิสลามแบบอิมานแบบนี้แบบนี้ได้ใช่ไหมก็คือนาเชตไม่มีดนตรีแต่ว่านาเชตหลุกใจนาเชตที่นาเชตแบบแบบ แบบเนื้อหาอิสลามเนื้อหาชาติก็สิ่งที่ลทรงห้ามไว้คือว่าการน้องรนำทาเพลงนะครับที่มีเครื่องดนตรีนะครับส่วนเขาเรียกว่าอนาชีชนะครับหรือว่าคอซิดนะครับคำคมต่างๆนะครับที่ไม่มีดนตรีนะครับเป็นคําพูดหรือคําคมหรือเรื่องราวที่ถูกสกัดมาเป็นบทความนะครับหรือเป็นร้อยแก้วร้อยกรงที่ไม่มี ไม่มีความหมายที่ค้านต่อหลักการอิสลามที่เกี่ยวกับศรัทธาที่เกี่ยวกับอีมานส่งเสริมให้คนทำความดีไม่มีปัญหานั้นไม่มีปัหาครับเป็นการเรียกว่าเป็นการส่งเสริมกลัมาดูกลับมาดูในตัวบทว่าละวัลหัดดิสลาวัลฮัดีิกับสิ่งที่ว่านาชีที่มีเนื้อหาไม่ใช่ละวันฮัดดิสครับแต่แกอสซาบุลละวีคือคนที่หมกมุ่นกับสิ่งให้สาระเนี่ยเขาจะดนกลลวงก็คือว่าเรื่องของดนตรีทําให้เขาเน้นหนุทาง ออจากอลอสุมฮาตาลานะครับและบุคคลเนี้ยในรายการเนี้ย<ม>เขาพอเขาอยู่ในใน อ, อยู่ในวงการดนตรีอย่างเป็นทางการแล้วเนี้ย บ, <ม>บุคคลเนี้ยเวลาคนจะมาต้นเกีรจะมาเต้นเขาเขาจะไม่ฟังเ<ม>วลาคนจะองกรานมาบอกเขาเนี้ยเขาก็จะไม่ฟังนะครับเวลาเขามาเนสิฮัตกล่าวเตือนเนี้ยเขาจะไม่ฟั ง, าา น, า น, ะฟงนะครับสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ก็จะถูกอาสาบจากอลอสุมฮาตาลาอย่างหนักยิ่งนะครับ นี่คือความหมายสรุปนะครับครับเรามาดูที่เราบอกว่ากาอันนาฟีอุซุนในหิวกรอเพราะในหูเขานี่มีมีอะไรมีมีน้ําเชื่อมมีเหล็กมีวัก ม, มีวักรอยอยู่แล้วคือเอ่อในเอ่อแปบลบเป็นภาษาไทยว่าไงวักกรออันะ ไ, อไห น, นครับบ๊วอายัดที่เจ็เนี่ยที่พวกนี้ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ไม่ยอมรับฟังเนื่องจากในหูของเขาในรูหัวของเขาเนี่หนวกคุณหนวกหัวของเขาหนวกแล้วหนวกนี้หมายถึงว่า มีของหนักมาอุดหูวักรอได้มาถึงของหนักโลหะภาษาไทยเราเอาโลหะโลหะมาอุดหูเขาอยู่แล้วเขาเสมือนในการเปรียบเทียบการที่เขาฟังหรือว่าฟังอลไรไม่ได้ยินเนี่ยเหมือนอะไรมาปิดกั้นหูเขาแบบคําว่าใช้โลหะหมายถึงว่าของที่แบบว่าเสียงไม่สามารถทะลุเข้าไปได้ครัทั้งที่เสียงทะลุเข้าไปไหมคือจริงๆเสียงทะลุหมายถึงว่าหูหนวก ครับมายถึงว่าหมายถึงว่ามันเปรียบเส ม, มือ น, นโลหะที่มาอุดไว้แล้วก็ไม่มีอะไรสามารถเข้าให้คนได้ยินสัจธรรมได้คือในคําพูดของล้อนี่มัน <c oughs> เป็นเป็นเป็นคำพูดที่บอกบอกว่าคือไม่ดีอ่ะคนที่มีโลหะอยู่ในหูอ่ะอัออฟงฟังไม่ได้ยินนั่นอีกเรื่องหนึ่งอัวหนวงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามีโลหะมีของไม่ดีมีเหล็กอยู่ในหูเนี่ยสแสดงว่าคนนั้นไม่ปกตินะครับกอันนาฟีอุสุไนหินวักรอนะครับมอับผมทำเสร็จแล้วนี้ก็ แปดอายาแรกนะครับเราว่าเอายาแรกเจ็ดอายาแรกนะครับเราว่ากะจะว่าอะไรฮะบบใช้เวลา45นาทีนะครับตอนแรกบบบอกว่าแค่ครึ่งชั่วโมงพอนะครับคิดว่าวันแรกเนื่ว่าเครื่องยังไม่ติดตอนนี้คือเครื่องติดแล้วแล้วก็ยังมีแรงอยู่เช้าเชแต่ถ้าเย็นอาจจะหมดแรงก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ใช่ครับอินชอนรอสนะครับรายการของเรานะครับก็จะดาเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับยีดรอมฎอนหนึ่นสี่ร้อินะครับอินชอนอ ก็จะอธิบายลักษอนแบบนี้นะครับตะกี้วิธีการผมประเมินผมก็ฟังอยู่นะประเมินอยู่เป็นผู้ฟังเหมือนกันก็พี่น้องหน้าจะได้รับประโยชน์แหละนะครับเรื่องของการอ่านออกเสียงแบบในชีวิตที่ถูกต้องตอนที่เบื้องต้นนะที่พี่น้องถ้าพี่น้องมาตั้งแต่ต้นนะครับบบก็จะอ่านอ่านอ่านอ่าต่างๆ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่นะครับพี่านอ่านอ่านอ่านอ่านต่้นอ่านอ่านอ่านอ่านอ่าอ่านอ่านอ่านอานอ่าับ่าอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่าอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่าน่านนะครับที่ รทราบแล้วนะครับพวกนี้มาเรียนรู้ตัศชิดอังกวาในโรลลุกมานกันนะครับวันนี้ผ่านไปแล้วเจ็ดอายะนะครับแล้วก็มีความหมายที่สอนชีวิตเราเหลือเกินนะครับแล้วก็ช่วงท้ายตะกี้เราก็ได้สรุปให้กับพี่น้องไปแล้วนะครับก็ขอตัวจากล็อตโซตารานะครับให้ผมบาบอนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิม่าทุกท่านนะครับได้ ใช้ชีวิตในโค้งสุดท้ายของรมดำนี้ด้วยกับการทำอิทยาศาสตร์ตลอดสมาตราแล้วก็ได้ให้ได้ตรงกับคืนไลยละตุลก็สุดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอยากอยากให้บบฝากเรื่องของการอิติกาฟนิดนึงกรณีที่พี่น้องพี่น้องที่อิติกาฟที่มัสยิดเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะฮะแต่พี่น้องที่มีภารกิจต้องทํางานออกตั้งแต่เช้าเนี่ย เขาเขามีโอกัสให้อิธิกรรบางคืนไหมหรือมีเทคนิคอย่างไรในการอิธิกรรกรณีคนที่กลางวันไม่ว่างนะครับต ร, รี้บบมีข้อแนะนําอย่างไรนะครับสุดท้ายก็บบสรุปแล้วก็ดูอาให้กับพี่น้องด้วยครับครับบิสมาร์ดมเนรหิมในช่วงสุดท้าย ส, สักสองสานาทีก็ในฐานะที่ว่าเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่สําคัญที่สุดในรอบปีก็คือช่วงสิบคืนสุดท้ายซึ่ง พ, พวกเราทุกคนพี่น้องทุกท่านก็คงทราบดี อยากจะฝากผังหรือว่ากำชับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าช่วงนี้อ่ะเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่อยากกะอยากกระพิบตาเลยอยากกระพิบตานะท่านาบีของเราสโลลลอว่าอาลีอัตสันแล้วนะท่านจะตอนที่ท่านอยู่มดินหน้าเนี่ยเก้าปีเนี่ยสิปีสิปีเนี่ยท่านอากเอติคัฟตลอดแต่ปีสุดท้ายก่อนที่ท่านจะวาร์ฟานี่แตท่านจะเอติคัเป็นยีวันนะปกติก็10วันก็ในช่วงสุดท้าย ก่อนวาฟาต20วันนะและเป็นซุนถือว่าการแยกริก้าฟในในช่วงจริงๆในการแยกริก้าฟโดยภาพรวมก็เป็นเป็นซุนนาอยู่แล้วเป็นซุนนาและก็เป็นซุนนาของท่านอบีุนะที่มัสยิดตรงไหนก็ได้เหมือนที่พวกเราทราบดีแต่การแยกรีกาฟในช่วง10วันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าสิ่งสําคัญในรอบปีที่อลัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ในอันโรวาล์ก็คือคื อ, คอเลตุลกอตตรงนี้นเป็นสิ่งทีนะ่พวกเราจะต้องแสวงหามีหะดิษ รายงานโดยบุคและมุสลิมฮะดิษน่งท่าน ر ลส ل ص ล ى الله ع ل ي ละมีบอกว่าแต่เราเลยจะตกลกถ้าในละอชาริอว่าคืมินรอมฎอนอากามาครสุจาิจงเสวงหาจงเฝ้าจงเฝ้าระวังคำว่าเฝ้าระวังคือเป็นภาษาไทยที่พวกเราฟังเข้าใจนะคำว่าเฝ้าระวังจงเฝ้าพลาดสายตาไม่ได้พราสายตาไม่ได้ไไหนก็ต้องกลับมา ่นะเหมือนผู้ป่วยเพราะหมือนผู้ป่วยที่แบบอาการคุ ม, มากที่ย่าต้องมาเฝ้าไหนไม่ได้เลย ค, ค, คือแบบว่าว่าอยูอย่คือกร ะ, ะชันชิดเแบรบกกระชิดกระชับกระชิดนะ่คือนบีพูดในในฮะดิษหนึ่งว่าอ่ทนะ่านนะ่ะอยู่กับเรื่องของดุลยานะั้นในปีหนึ่งสามร้อนยะห้าสิบห้าวันแล้วอ mm hmm. นะอีกสิบวันนี้จะให้กับอัลลอฮ์จะให้กับเรื่องของอัคคีรอชานั้นนะเราต้องคิด วัดบีดึง365วัน355เนี่ยเต็มที่แล้วแต่10วันนี้ต้องให้ต้องให้ชีวิตของเรานะให้อาติบรรดาของเราให้ชีวิตของเราจะได้ขอดูอากับอัลลอฮฺสุบฮานวาุวาตาละเพราะเราอยู่บนโลกนี้ก็อยู่ในเวลาที่จํากัดไม่ใช่ได้อยู่นะเนินนานอย่างถาวรไม่ใช่เราบอกรองปีหน้าว่าเราบอกรองปีหน้าเนี่ยไม่รู้จะมีชีวิตเราอยู่บนดุนยาหรือเปล่าฉะนั้นในช่อลอ เาสัญญาไว้ไม่ใช่เป็นแค่หัดิสนะัดีษไม่ใช่เป็นคาพูดของอุลามะไม่ได้เป็นคำพูดไม่ใช่หัดีษเจอันกุรอานที่อัลลอฮฺบอกไรละดุลกาดี خير ุมมิลอัลฟิชฮเรเป็นอันกุรอานเป็นวาฮฺยูเป็นกาลามุลลาฮกาลามุ่ก๊ดีมนะตรงนี้เราจะต้องนะให้สิ่งเหล่านี้มาเข้ามาอยู่ในส่วนลึกของหัวใจของเราให้ได้ละพยายามปฏิบัติให้ได้นะที่อัลลสัญญาไว้ แท้จริงเร้่สัญญาของเราไม่เป็นหมันอย่างแน่นอนแล้วอะไรโยคลิฟุลมียาดฉะนั้นอีกนิดนึงก็อยากจะฝากพวกเราให้ขอดุดาจะเอาเราสมบัติเราให้มากให้มากที่สุดท่าที่จะบ้างแต่ให้มากที่สุด ด, ส ด, ด้วยความบริสุทธิ์ใจและก็พยายามอติคับให้มากที่สุดที่จริงแล้วเรื่องของอติคับเนี่ยถึงเราจะไม่เต็มทั้งยีิบสี่ชั่วโมงก็ได้อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสุนัตแต่ว่าต้องพยายามให้มากที่สุด เพเราจะได้เป็นมุฮซินีเหมือนในอายะที่เราได้อ่านเันตอกี้ครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องคงจ ะ, อะขอให้ขอดุอาจะอัลลอฮฺสาตาลาให้พี่น้องถือสิ้นอดอด้วยความและด้วยความสมบูรณ์นะและก็และทามาลิบบะได้อย่างเต็มที่และก็อย่ารีบขอดุอาให้พี่น้องของเราที่อยู่ต่างแดนที่เจอปัญหาต่างๆเช่นพี่น้องของเราที่ตุรกีก็ดีที่ ฟลสตีนก็ดีและที่อื่นนะแกก็ดูอาในเดอร์มอนออลออจะตอบรับอย่างแน่นอนะไม่มีที่หยาบกั้นระหว่างเรากับอนะ๋อชาวอ๋อครับในพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คงจะเจอกันอีกบิลล่โตฟี่บุญฮีไดละมัอะลัยกุ๊มอาราฮมะตุลลอฮิวะบารากาตุครับผมทำดีแล้วนะครับก็วอนนอ่านคอมเมนต์น้อยนะครับพี่ต้องทักเข้ามาบอกว่าคุณกาลยาภาคโชคดีบอกว่าอยากให้มีหนังสือสรุปตามที่บรรยายทุกตอน สำหรับคนที่เข้าไม่ถึงโซเชียลค่ะอยากเอาไปเผยแพร่ให้ญาติพี <t> <t ่น้องค่ะก um> ็เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากๆนะครับคุณกัลยานะครับที่เมกี้เขเพราะว่าถ้าเราถ้าหนังสือเต็มเียไปเลยเนี่ยครับมันก็จะยาวหน่อยนะครับแต่ถ้าสรุปเป็นข้อๆนะครับไปทุกๆวันนะครับแล้วก็สรุปรวมเป็นบทสรุปนะครับจากสรุปมานะครับแล้วก็อาจจะว่าจัดพิมพ์หรือว่าเผยแพร่ต่อก็เ็นสที่ดีมากๆก็ อยากจะฝากนะครับทีมงานนะครับอาจารย์มุขมัดนะครับมอบห ม, มายงานได้ไหม <S 1> <S 1> ได้เลยได้แต่นอกก็คือ <c oughs> สรุปเดี๋ยวคือผมสรุปหมดอยู่แล้วในในนี้ฮ ะ, ะ <S <S แล้วก็ <c oughs> กจะไ <c oughs> ปเล่ ม, ม, มจะจะทำไปเป็นเป็นโมเดลให้ <c oughs> พี่น้องอ่านง่ายๆ <c oughs> นะครับทุกวันนะครับ <c oughs> วันละวั น, นี้วละหน่อยนะครับครบ 8-9 วันอย่างอินชอล <c oughs> แล้วก็จะครบทั้งซูรร์นะครับแล้วก็ มาตกแต่งตรวจทานเล็กน้อยน่าจะทำการเผยแพร่ได้นะครับเขาเป็นขอบคุณมากคุณกัลยาครับที่เสนอเข้ามารวมถึงพี่น้องทุกท่านนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับสลามก็มาแล้วก็รับสลามทุกท่านนะครับวะกุลสลามบอหละตออประกาศดูครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลาเดิม6มงเช้าอย่าลืมนะครับเจอกันวันนี้จากเท่านเพียงแค่นี้นะครับยาสากุลครอนสลามวะกุลบอหะมัตุลลอฮบาคาร